มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาปัญจมวัคกธรรมทิฏฐปัญหาที่สี่ถามว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านเห็นประจักษ์แจ้งแล้วหรือราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคะเสนะข้าแต่พระนาคเสนธรรมะของพระชินเนนทร์สัมมาสัมพุทธสัพพันยูนั้นพระผู้เป็นเจ้าเห็นประจักษ์แจ้งหรือประการใดพระนาคเสนก็วิสัชนาว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมะที่สมเด็จพระทศพลยานเจ้าตรัสบัญญัติประทานไว้ผู้ใดได้เป็นสาวกแล้วก็ควรจะปรนิบัติไปตราบเท่าสิ้นชีวิตและจะได้บอกว่าธรรมที่สมเด็จพระชินสีประธานไว้นั้นพระผู้เป็นเจ้าได้สำเร็จแล้วหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินทราชรู้ในพระอัจฉสัยก็รับคำพระน้าเกษศ กัลโลสิคำของพระผู้เป็นเจ้าว่านี้สมควรแล้วธรรมทิฏฐปัญหาเป็นคำรบสี่จบเท่านี้